นอหน้อมๆขุนพรธอรปธรรมพระสงฆ์ขอกราบนามัสการครูบาอาจารย์ก็โอกาสพระเทรานุเทระจะเริไมในธรรมในทีแล้วก็จะเรินพนรกับญาติโยมทุกคนก็เห็นข้างหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยในรุ่นครัะเป็นัยรุ่น พก็ก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเหมือนกันก็คงประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นหรือว่าช่วงที่เรายังเป็นเด็กเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีอย่างไรก็ว่าไปแล้ว คือเราก็ต้องอาศัยผลักผู้ใหญ่นะเพราแม่ดูพาาจา์ที่ต้องคอยแนะนำเราทำมาอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเรพ่อเองสมัยเด็กๆ ก, ก็เหมือนกับทุกเรามีความทุกนบ้าง ก็มีความสุขสพลนตามภาษาเด็กอะ่ะนะเห็นเพื่อนทำย่างไแเราก็ทำตามนะก็มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันมันก็ก็เหมือ น, อนกันในขณะเดียวกันเรากับบ้านเราเรียนหนังสือพ่อแม่คุูบาอาจารย์ก็พยายามจะบอกสิ่งที่ดีนะให้เราปฏิบัติแต่ว่าความรู้สึกบางครั้งที่พ่อแม่คุูบาอาจารย์บอกเนี่ย มันไม่ตรงกับเพื่อนเราทําเพื่อนเพื่อนทําเพื่อนทําอย่างหนึง่งแต่พ่อแม่ก็บอกบอกอย่างหนึง่งทีนี้เราจะเชื่อใครนะก็เป็นธรรมดาภาษาเด็กบางทีก็เชื่อพ่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์บางทีไปเชื่อเพื่อนนะแต่ทีนี้ตัวที่จะเป็นสิ่งที่เราจะรู้เลยว่า สิ่งที่เราเชื่อเพื่อนเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอันไหนมันดีกว่าตรงนี้นหะเราจะเริ่มรู้ด้วยตัวเราเองว่าสิที่เกิดขึ้นจากกรรกระทําของเราเนี่ยจะเดือดร้อนไหมนะถ้าสิ่งที่พ่อแม่บอกแล้วเราทําตามเราไม่เดือดร้อนอย่างนี้ใช่เลยแต่ถ้าเพื่อนบอกเช่นเพื่อนชวนกันไปเที่ยวนะ ไปกินเล่าไปสูกบรีหรือไปอะไรก็แล้วแต่เราไม่เชื่อชอบแน่แต่เราเชื่อเพื่อนแลรวกฏว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เองว่าเราเดือดร้อนนะตรงนี้ก็เป็นเรื่อนบ่งยีได้ว่าสิ่งที่เราทำทำเพื่อนเนี่ยติดทางแน่นอนนะเพราะนั้นอย่างพวกพวกเราทั้งหลายเนี่ยลองตรวจสอบกูก็ได้ว่า สิ่งที่เราชื่เรา่อแม่แล้วเราทำตามกับสิ่งที่เราเชื่อครูบาอาจารย์เราทำตามกับสิ่งที่เราทำตามเพื่อนเนี่ยควรเป็นยังไงนะคนก็รู้ดีเพราะฉะนั้นทางเดินของเราเนี่ยเราก็ต้องวัดด้วยตรงนี้นะต้องวัดด้วยตรงนี้ว่าสิ่งไหนควรเดินตามหรือสิ่งไหนไม่ควรเดินตาม เราะนั้นถ้าเราอยากเลือกหนทางที่มันสบายนะหมายความว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคในชีวิตเราก็ต้องเดินกันให้ถูกทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะที่ปราสาทจุกตะโตเนี่ยเราก็จะเน้นหนักของเรื่องความรู้สึกตัวนะเรามีตัวอยู่เรามีกายเรามีใจนะแต่ว่า ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเราจะไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าในตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างในใจของเรามีอะไรบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้แต่เรื่องข้างนอกนะบางที่ฟังเทศของหลวงพ่อสมใจเมื่อเช้าหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านเดนๆอเนี่ยก็เหมือ hmm. นกับกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้รับการรับฟังหรือเรียนรู้ เราก็จะรู้แต่เรื่องข้างนอกการเรียนหนังสือเราก็รู้แต่เรื่องข้างนอกเราก็จํากันมามีแต่เรื่องคนอื่นเขาเขียนให้เราอ่านเราอ่านแล้วก็เข้าใจแต่การเข้าใจแบบนั้นเนี่ยเป็นการเข้าใจแบบคิดเอาแบบจินตนาการเราไม่เคยพบด้วยตนเองอย่างเช่นสมมติคุยกันว่าโลกเนี่ยมันกลมหรือมันแบนเห็นไหม แต่ถ้าคนที่ได้อ่านหนังสือก็จะรู้ชัดเลยว่าโลกมันกลมแน่นอนแต่คนที่ไม่อ่านหนังสือก็บอกไม่รู้แต่ทีนี้ถามว่าที่เรารู้ว่าโลกมันกลมเราเห็นมานเาเห็นมาด้วยตนเองหรือเปล่าเราสัมผัสมาด้วยตนเองหรือเปล่าก็เปล่าก็คืออ่านแล้วก็จำแล้วก็ตอบคำถามได้คะแนนมันก็ถูกแต่เราไม่เคยพิสูจน์หรือรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้ก็เรียกว่ารู้แบบ กันมานเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเรื่องที่เราเรียนรู้เรื่องโลกข้างนอกเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรต่างๆนะรวมไปทั่งเรื่องของหน้าตุกที่บอกว่าโลกจะแตกใช่ไหมเราก็ได้ยินกันมาจากข่าวทางอินเทอร์เนต็ตบ้างจาก TV ทีวีถักอะไรก็แล้วแต่บอกว่าโลกจะแตกเราก็ฟังฟังกันมาเราก็จํากันมาบอกว่าโรกโลกจะแตกก็เชื่อเชื่อตามกัน แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แรก้กว่ามันแตกหรือไม่แตกแต่ถ้าณนะวันนี้อวันนี้ยี่บสองแล้วเขบอกว่าแตกคันที่ยี่สิบเอ็ดเห็นไหมตอนนี้ยเราจะรู้จริงแล้วรู้จริงในระดับที่ว่าพบด้วยตนเองว่ามันแตกหรือไม่แตกใช่ไหมก็คือไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยก็ปิดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดคิดกันมาถงสิ่งที่เราคาดเป็นเลก็ตามสิ่งที่คํานวณก็ตามนะ มันก็เป็นหลักแค่การคิดด้วยเหตุด้วยผลมันไม่ใช่การรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่การรู้ด้วยการสัมผัสมันจึงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการรู้ที่แท้จริงทีนี้เรามาตึกเรื่องความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยของใครของมันรู้ได้เฉพาะตนนะว่าอาการใดๆที่มันเกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยเจ้าตัวเท่านั้นแหละที่เป็นผู้รู้ คนอื่นจะรู้แทนเราไม่ได้นะเช่นเรานั่งอยูย่อย่างวันนี้เราเดินจนกลมก็ดีเรายกมือก็ดีเราทาอะไรก็ดีเนี่ยอาการใ์ใๆที่เกิดขึ้นในกายของเราเพนั้นเราเป็นผู้รู้เองไม่ต้องถามใครเช่นความปวดความเมื่อยเราต้องถามไหมว่าเราปวดหรือเราเมื่อยไหมไม่ต้องถามเราหายปวดหายเมื่อยแล้วเราต้องถามใครไหมว่าเราหายปวดหายเมื่อยแล้ว ไม่ต้องถามนะอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันเย็นเช้าขึ้นมาเนี่ยตอนกลางคืนมันเย็นเราต้องถามใช่ไหมว่าคืนนี้เรารู้สึกเย็นไหมไม่ต้องถามนะเพราะเป็นการรู้ด้วยการสัมผัสรู้นะมันมีอากาศข้างนอกกับผิวล่างกายของเรามีอยู่มี จ, จิตใจนะก็ทําให้เกิดความรู้สึกได้การที่เรารู้อย่างเนี้ย เป็นการรู้ได้ตนเองเป็นการรู้จริงๆด้วยตัวเราเองไม่ต้องถามใครไม่ต้องจำใครมาเพราะฉะ น, นั้นพอเรามาฝึกเรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกส ต, ติเนี่ยถ้าเรากลับมาดูที่ตัวของเราเนี่ยเราก็จะพบว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายใจิตใจของเราเนี่ยมีเยอะไม่เยอะแย ะ, แย ะ, แยะมากมายนะแต่ถ้าเราเผลอไปไไเมื่อไหร่เถลอไปหลงรู้ข้างนอกไปมองนูง่นมองนี่ทางน่นทางนี้จนลืมตัว เราก็ไม่สามารถรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของเราได้เพราะฉะนั้นหลักการฝึกให้รู้สึกตัวต้องเป็นเพียงที่จะรู้ในเรื่องของตัวเองเพียนรู้อย่างโดยเฉพาะอาการย์ทำติตใจเนี่ยจริงๆมันก็เป็นนามธรรมอนะมันไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ถ้าเราฝึกเนี่ยฝึกเรื่องต้นจากการรู้กาย้วยการเคลื่อนไหวก็ดีการเดินก็ดีหรือการทำอยู่ในอีรียบทอื่นๆก็ดีเนี่ยมันก็สามารถรู้เท่าถึงจิตใจได้อาการจิตอาการทางจิตใจเนี่ยอะไรบ้างเท่าที่เรารู้จักเช่นอย่างน้อยสิ่งที่ปรากฏในเบื้องหน้าที่เราพบกันบ่อยๆก็คือความว่างเหงาหนนอนนะมีแน่นอน การนี้เขาเป็นอาการเิดความรู้สึกเป็นความเบื่อนะคิดว่าทุกคนอาจจะประสบแล้วว่าความเบื่อก็เกิดขึ้นได้ความเบื่อนี้ก็เป็นอาการทางใจเหมือนกันความขี้เกียจเรามีอยู่เรารู้จักได้ความขยันเราไม่ง่วงเราิดชื่นอะไรเนี่ยเป็นอาการทางใจหรือว่าหมุดหงิดสาคาญ ชอบไม่ชอบอือันนี้ก็เป็นอาการทางใจนะซึ่งมีมาแล้วทุกคนแหละเรื่องพวกนี้นะบางครั้งเนี่ยเราเพราะเราไม่เคยดูเราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าการกลับมาดูที่ตัวเองเนี่ยต้องรู้อะไรต้องดูอะไรสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะรู้จักมันได้ว่าอืมว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมารู้สึกที่ตัวเองเนี่ยอาการพวกนี้ยมันก็จะเกิดวันแล้ววันเล่า วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็ทาแล้วทําอีกก็แล้วแต่เหตุการณ์นะแล้วดูมันทําไมอะ่ะสิ่งพวกเนี้ยทำไมต้องดูด้วยอะ่ะเออดูข้างนอกมันเพลิอนอร่อยกว่าไม่ต้องมาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องดูตรงนี้แหละเพื่ออะไรก็เพื่อเห็นว่าสิ่งพวกเนี้ยมันมีการเกิดขึ้นนะมีการเกิดขึ้นมีการ ทั้งอยู่นับไปนะคือมันเกิดแล้วเกิดอีกตัก้งภาคอยู่ทั้งชีวิตอย่างความเจ็บความปวดความเมื่อยใช่ไหมเราลองคบดวนกันดูว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเมื่อยมาสี่รอบแล้วเราเจ็บมากี่ครั้งแล้วนะแล้วมันเจ็บเจ็บหายหายปวดปวดหายหายอยู่อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันปวดมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ไม่เคยหายเลยอะไรประมาณนึ่ีนะ้ความร้อนความหนาวก็เหมือนกันมันหนาวมาตลอดทั้งชีวิตไหม หรว่ามันเย็นมาทั้งชีวิตไหมเราก็จะพบว่ามันมีหนาวบ้างร้อนบ้างสไตบ้างมันก็คือเขาเรียกว่ามันลาบสดให้เราได้รู้ซึ่งว่าสิ่งพุกนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะมันเป็นอยู่อย่างเนี้มันเป็นธรรมชาติอาการทางจิตก็เหมือนกันใครบ้างที่มีความเขาเรียกว่ามีความโกรธทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาเ็นถึงวันนี้โกรธไม่เคยหยุดเลย หรือว่าใครบ้างเคยมีความสุขทั้งชีวิตตั้งใจเกิดจนถึงวันนี้ความสุขมากๆเลยไม่เคยเกิดใครไม่เคยโง่ใครไม่เคยอะไรเลยนะใครบ้างที่เค ย, เคยอิจฉาเขาอิจฉาทั้งตลอดชีวิตนะมันก็ไม่มีเคยทุกอย่างเนี่ยที่มันมันเกิดขึ้นมามันปรากฏขึ้นมาเนี่ยถึงพวกเนี้ยมันต้องแปรเปลี่ยนไปตลอด แต่ถ้าเราไม่มองไม่ดูก็จะไม่รู้ทีนะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมานี้แหละว่าทําไมมันเกิดขึ้นทำไมมันต้องเปลี่ยนด้วยนะเพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็มีต้องต้องเกิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปมันเช่นเดียวกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะสิ่งที่อยู่ข้างนอกยกตัวอย่างอย่างเช่นมีฝนตก บ, บ้างหยุดบ้างแดดออกบ้างไม่มีแดดบ้าง หนาวบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างหรือว่ามีกลางวันบ้างมีกลางคืนบ้างเออทำไมมันไม่มีกลางคืนตลอดเวลาทำไมไม่มีกลางวันตลอดเวลาก็มันเป็นธรรมชาติมันจะต้องแปลเปลี่ยนไปมีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาร่างกายจิตใจเราก็เหมือนกันมันก็มีการแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นแลวมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นว่าโอธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองนะสิ่งเดิมๆแต่ก่อนนู้นเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนเราเข้าใจผิดไปว่าสิ่งพวกนี้มันเพี้ยงหมายความว่ามันคงสภาพเดิมของมันได้ตลอดการนะเช่นเกิดมาแล้วไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายอ่ะ สมมอย่างนั้นก็เข้าไปเชื่ออย่างนั้นถ้าเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันจะสวนทางกับธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันบอกว่าต้องเกิดแก่เสด็จตายมันต้องเปลี่ยนไปนะหรือว่าความอาการทางจิตก็เหมือนกันมันรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนของมันอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปหลงผิดแล้วเราก็ไปยึดว่า รเราเกิดมาเนี่ยต้องมีความสบายอย่างเดียวนะไม่สบายเมื่อไหร่แล้วโอ้มันทรมานมันรับไม่ได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีสบายบ้างไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างนี่แหละคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยคือเป็นผู้มีปัญญาก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ได้ในโลกเนี้ยแบบเขาเรียกว่าไม่รู้กับมันนะไม่รู้กับมันเช่นเช่นเวลาเราเจ็บ เราปวเราเมื่อยเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโอ้ความเจ็บความปวดความเมื่อยมันก็ไม่เที่ยงนะเมอเราเข้าใจอย่างเนี้ยเมื่อท้าวใดที่เรามีความเจ็บก็โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นไหมเดี๋ยวมันก็หาย๋มันก็หายได้หรือมันไม่หายก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเราก็มีความเข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองใจเราก็ไม่ทุกข์กับความความความเจ็บความปวดนะอความร้อนความหนาวก็เหมือนกันมาลองสังเกต กลางคืนเช้ามารู้สึกหนาวใช่ไหม่ารู้สึกหนาวทีนี้พอมาสายๆกลางวันอมันเปลี่ยนไปแล้วจากความหนาวก็เป็นความอุ่นความร้อนขึ้นมานะแล้วก็พอตกเย็นเรื่องหนาวอีกแล้วเนี่ยถ้ากับเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าโอ้อาการแบเนี้มันก็เปลี่ยนได้ เรามีปัญญาเราก็รับกับมันได้ก็เออหนาวก็ไม่เป็นไรร้อนก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเราก็ไม่มีความทุกข์ทางใจนะอย่างเรื่องความเรกิดความตาย ก, ก็ก็ทำนองเดียวกันเรื่องอะไรก็ทำนองเดียวกันหมดเลยนะถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ยใจมันจะไม่ทุกข์ละเพราะมีปัญญาเข้าใจรู้เห็นตามความเป็นจริงนะมันก็ไขถอนจากความที่เคยหลงผิดมาก่อนกลายเป็นเห็นผูก เมื่อมีความเห็นถูกมันก็เข้าใจถูกก็ไม่ถูกข์มันทุกได้นะว่างั้นที่เรามาปฏิบัติทรรมเนี่ยการยกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะ ก, ก็ดีการเดินจงกรมก็ดีมันเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นเันนั้นเองเพราะว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเราจะมาระลึกรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเนี่ยสติตของเรามันไม่ไวพอที่จะรับรู้ได้นะ เพราะว่าอารมณ์ต่าง ๆ, ๆที่เกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยมันเร็วมันมากมหาศาลเลยไม่มีใครจะรู้ได้เพราะนั้นเราจึงเริ่มต้นมารู้ที่กายก่อนนะกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยลองสังเกตนะว่าสมมติเราเริ่มต้นจากับที่กายเนี่ยมือวางไว้บนขาใช่ไหมติดที่ต้นเนี่ยมันเริ่มรู้แล้วจาบที่ที่มันต่าอยู่มันติดก็รู้สึกได้ยกขึ้นมารู้สึกได้อะไรอย่างนี้ย ทีนี้พอเราทําไปล่อยเนี่ยเบอกว่าจิตเนี่ยมันจะรับรู้อาการที่เกิดขึ้นแต่ละขณะขณะอยู่แล้วมันก็จะเริ่มเห็นอะไรที่เกิดขึ้นที่ถยอยเข้ามาให้รู้ให้รู้เช่นนะเดิมเรายกมือเคลื่อนไหวแค่พลิกก็รู้เคลื่อนก็รู้แต่พอเรายกมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความตึงเยมันมาจากไหนอ่ะทําไมมันมาเข้ามาได้อ่ะนั่นอ่ะมันแสดงเริ่มแสดงให้ดูละแลแ ต, ตอนนี้มันมีความตึงะแบบเมื่อยนะ มันมาแล้วเราเริ่มเห็นแล้วแล้วก็ยกต่อไปความตึงความเมื่ อ, อยบางทีมันเมื่อยที่มือแต่ที่ตัวที่นั่งอยู่นู่นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยความปวดความเมื่อยมันก็มาก็เห็นได้รู้ได้ไ ห, หรือคันตรงนูน้นตรงนี้ปกกวดขึ้นมันก็รู้ได้แต่การเคลื่อนไหวมือก็ยังมีอยู่นั่งไปนั่งไปมันหนาวมันร้อ น, นก็รู้ได้ นะแค่จากเราเริ่มรู้สิ่งเดียวก็คือการเคลื่อนไหวในระดับื้นต้นแต่สามารถรู้อาการอื่นๆที่มันอยู่ที่ว่าตัวเราส่วนอาการทางจิตก็ทํานองเดียวกันเดิมเราแค่ยกมือเคลื่อนไหวรู้รู้การเคลื่อนไหวเดี๋ยวอาการในจิตก็เริ่มมาล้วเริ่มที่เสียดล้วนะใครรู้บ้างก็เจ้าตัวเป็นผู้รู้ได้ไม่เกี่ยวกับการยกมืออะไรอ่ะ ที่เกลียดมันก็ปรากดขึ้นก็รู้ได้ว่าที่เกียดหรือว่าขยันอยู่ก็รู้ได้ว่าขยันอยู่นะหรือว่ายกไปยกมามเห็นจิตมันคิดคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงปีใหม่คิดถึงไปนูนน่นไปนู่นเอา้าก็เห็นอีกมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็ยังยกมือต่อไปก็ยกมือเห็นความคิดเราเห็นความคิดความคิดเรื่องนี้ก็หยุดลงกลับมายกใหม่ ยกไปยกมาเอ้าไปคิดเรื่องใหม่อีกละรู้สึกตัวขึ้นมากลับมารู้ที่กายแ ป, ป๊บหนึ่งเอ้าไปเรื่องใหม่อีกละมันคิดอยู่ตลอดเวลาอหรืออารมณ์ทางจิตทางใจเนี่ยเส้นเดิมก่อนยกบางรู้สถือว่ามันไม่รู้ชัดในจิตใจอะนะมันมัวมันไม่รู้ชัดแต่พอยกไปยกมานั่งเข้าเนี่ยเข้าตัวก็จะรู้ได้เองว่าอาจจะเกิด อาการคือทางกิตคือมีความสงบส ง, งบสบายมีความสุขนะเนี่ยแค่รู้กายก็สามารถรู้ใจจิตมีสบายมีความสุขเมจิตมีสบายมีความสุขความง่วงความอะไรก็ไม่มีต้นยกแบบมีอารมณ์เขาเรียกว่ามีได้อารมณ์ยกมีความขยนันยกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเื่อยจนกระทั่งความสุขเปลี่ยนไปอีกแล้ว อยากความสงบสุขนิ่งใจเป็นว่าคิดอีกแล้วอาจจะคิดเรื่องอื่นอาจจะคิดถึงพ่อแม่บอกว่าปฏิบัติธรรมดีจังเลยอยากให้พ่อแม่มาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปนึกถึงพ่อแม่นึกถึงคนอื่นนึกถึงใครสาวใครหรือบางทีจิตมันก็สอนจิตือกเออปฏิบัติธรรมดีจังถ้ารู้อย่างงี้น่าจะปฏิบัติปฏิบัติตั้งนานเลยอ่ะักลับมาคิดอีกแล้วแต่มันก็คิดในแง่ดีเนาะ เพราะนั้นมันจะรู้กายเคลื่อนไหวไปด้วยขณะเดียวกันความคิดเกิดขึ้นมันก็รู้จิตไปด้วยรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เวทนารู้ธรรมอืมก็มารู้สติปักฐานสิเพราะนั้นแค่เราฝึกรู้สิ่งเดียวสามารถรู้ได้ทุกสิ่งแล้วสิ่งไหนที่เคยรู้จักมันแล้วมันมีสภาวะเกิดขึ้นและเคยรู้จักมันแล้วเนี่ย ต่อไปเมื่อสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมันก็จะเกิดสติเช่นเรายกมือขึ้นเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเราเคยเห็นความคิดแล้วเมื่อรู้จักความคิดแล้วเนี่ยต่อมาถ้าเกิดความคิดมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บมันจะเห็นทันทีเพราะว่ามันรู้จักแล้วหรือว่าอารมณ์ความสงบมันรู้จักแล้วว่าความสงบเป็นอย่างเงี้ยพอเกิดความสงบปั๊บ เปิดสติอันทีเลยก็จะรู้จักความสงบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สติมันจะเริ่มว่องไวแล้วจะเริ่มร่วงงดว่วงไวแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็จะรู้จักอะไรเกิดขึ้นมันก็จะรู้จักแล้วมันก็สามารถรู้ตัวทั่วพรอมได้รู้ทั้งกายทั้งจิตนะรู้ตัวทั่วพรอมก็หมายถึงว่าในตัวในกายอะไรเกิดขึ้นมันก็จะรู้ได้ัู้ตัวไม่ใช่รู้แค่มือไม่ใช่รู้แค่การเคลื่อนไหวแล้วนะ มันจะรู้ตัวตัวรู้ถึงบนหัวรู้ถึงกายเท้ารู้ถึงระหว่างตัวก็หมายความว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวตรงไหนก็รู้หมดอารมณ์ทางจิตก็เหมือนกันมันจะเกิดอาการยังไงเนี่ยก็มีสติระลึกรู้ได้ได้อย่างรวดเร็วว่องไวและ้วจะรู้ถึงความเกิดแล้วก็ความดับของมันได้อย่างรวดรวดเร็วด้วย ดังนั้นเเราเข้าใจถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ดับไปของตายของจิตแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือความหลงผิดที่คอยเราเค ย, ยยึดมั่นถรือมั่นว่าถึ่งนั้นมันเที่ยงมันคงที่มันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจิตนั่นก็เห็นสิ่งนี้เห็นแล้วเห็นอีกว่าสิ่งพวกนี้ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจิตนั่นก็ยอมรับได้เมื่อจิตยอมรับได้จิต ก, ก็ไม่ไม่มีความพุ่ ก, กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วมันก็สามารถสามารถที่จะละความอยากได้ด้วยเพราะมันรู้ว่าถึงอยากให้เป็นนู่นให้เป็นนี่หรืออยากไม่ให้มันเป็นนู่นมันเป็นนี่ก็ททำไม่ได้เป็นสมมติเราอยากให้มีความสุขตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเนี่เรารู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้มันจึงไม่มีความอยากที่จะให้มีความสุขทั้งวันทั้งคืนก็หมายความว่าสุขก็ได้ไม่สุขก็ได้ หรือว่าคนที่เจ็บป่วยรักษาแล้วไม่หายนะเขาก็จะรู้ว่ามันจะหายไม่หายก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองใจก็ไม่ทุกข์ก็อยู่เพื่อสามเจ็ดไข่ด้วยใจไม่ทุกข์นะดังนั้นขอให้พวกเราเนี่ยก็ลองหมายถึงว่า ปฏิบัติทำตามที่สุภาอาจารย์แนะนำแล้วเราก็จะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองนะว่าธรรมชาติของตายของใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วแต่ที่ไม่ได้ยกตัวอย่างก็มีอีกมากนะแต่ว่าถ้าเราจับทางได้เนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะได้ด้วยตนเองแ็เนี่ ย, ก, ยก็เอารูปแปบเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วก็ เดี๋ยวมันจะพัฒนาของมันเองและก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยตัวเราเองไม่ต้องถามใครทนะีนี้การปฏิบัติธรรมนี่มันจะยากตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้มันยากความรู้สึกสำหรับบางคนนะคือมันยากมันยากตรงไหนมันยากตรงที่คือมันสงสัยอะสงสัยยกมือทำไมเดินทำไมเหนื่อยจะตายอยู่บ้านนอนดีกว่านะขงคราอยากดูหนังก็ดูดูทีวีก็ดูเล่นอินเทอร์เน็ตก็เล่น ก็มีความสุขกว่าอันนั้นนะหันทางนั้นมันเป็นสุขจริงพราะว่ามันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางสมบูรณ์แต่มันทางเสพสุขวันไหนเราไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการเมื่อไร่แล้วตรงนั้นเลยมันทุ๊บมหาศาลเพราะฉะนั้นทางนั้นเราก็ไม่เควนไปต้องกลับมาทําอย่างนี้เมื่อทําอย่างนี้มันเป็นทางทางที่ต้องเดินนะเป็นทางที่ต้องเดินก็ฝึกไปเรียนรู้ไป นะมีความเพียนขยันถึงมันจะทุกข์บ้างก็ดีแล้วพก็ อ, อ, อะไรก็มันแสดงความเป็นไตรลักให้ดูปวดบ้างเมื่อยบ้างมันไม่ถาวรหรอกเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่ทุกมาเมื่อวานทั้งหมดเห็นไหมตอนนี้ไม่มีหรอ ก, กมาเมื่อวานไม่มีแล้วทุกมาเมื่อเช้าก็ไม่มีแล้วทุกมาตอนบ่ายตอนเที่ยงก็ไม่มีมีแต่ทุกอยู่ตอนเนี้ยปัจจุบันนะทุกตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมารู้มัน รู้ทุกเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ต้องไปเป็นท<อ>ุกนะมันปวดต้องให้มันปวดไม่ต้องไปเป็นผู้ปวดนั่งรู้นั่งดูมันปวดปวดสมมตปวดขาก็รู้มันโอปวดเราไม่ต้องปวดนะมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยเราไม่ต้องเมื่อยด้วยเออมันร้อนก็มันร้อนเราก็ดูมันไม่ต้องร้อนด้วยไม่ต้องหนาวด้วยก็เป็นผู้ดู ผู้รูดูอะไรเกิดขึ้นก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อให้ใจไม่ต้องเข้าไปเป็นนะหลพ่อคำเขียนท่านก็เทศุเป็นประจำเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูไม่ต้องไปเป็นผู้เป็นอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปเป็นผู้เป็นกับมันแค่รู้แค่ดูแค่นี้มันก็จากที่มันเราเคยเิ็นกับที่เป็นผู้เป็นเนี่ยตอนนี้มันถอนออกมาแล้วเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะก็คิดว่าวันนี้คงสมควรกับเวลา ก็ให้แย้ยโยมทุกคนนะมีความเพียรแล้วก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมท่าทนทุกท่กคนในชาตินี้ท่านจะเป็นเจรือ